อ้าถามกันไม่ค่อยจะมีเสียงเท่าไหร่สู้เสียงฝนไม่ได้ยังหูฟังเรา เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมทำตามเส้นทางที่พระเจ้าทมพระองค์ทำอะไรทำให้เกิดเก็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติจงังกายทำให้มีพระธรรมทำไงจึงจะสำเร็จเรีว่าพระสงฆ์ เราศึกษาปฏิบัติธรรมแน่เป็นเถรภูมิชั้นสูงสุดไม่เหมือนการศึกษาวิชาอื่นเราเรียนรู้มหาหลายวิชาแล้วจะมาถึงวันนี้ประสบการณ์ต่างๆที่ผิดที่ถูกการ ปฏิบัติธรรมชั่นเอรภูมินี้เป็นการเด็ดขาดชัดเจนจะตอบเป็นสองประเด็น ไ, ได้ต้องชัดเจนแม่นยำจึงจะเป็นเอรภูมิได้ถ้าคนอื่นสอนหล่า ก็บอกว่าอย่าหลงนะอย่ากโกรธนะอย่าทุกนะอย่ากินเหล้านะอย่าสูวูดีนะเพราะนคอยนสอนเราอยากให้ประโยชน์สาหรับเราเราก็รู้อย่งท่านปาพอสมขวรแล้วโคคนแรกของเราคือพ่อคือแม่ถูกสั่งถูกสอนมาด้วยกันทั้งนั้น อยาทำบาปนะให้ทำบุญนะเราก็รู้ถ้าลองมาสอนตัวเองชั้นเดลโฟมนี้ก็ไม่สโสดีไม่ตื่มเล้าไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์อันนี้คือเราสอนตัวเราเรียกว่าปฏิบัติลงไป มันจะมีหลงก็ไม่หลงในขณะที่มันหลงมันจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ในขณะที่มันทุกข์มันจะโกรธก็ไม่โกรธในขณะที่มันโกรธถ้ามันตรงกันข้ามมันจะสุขก็ไม่ต้องสุขในขณะที่มันสุขมันจะทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์ในขณะที่มันทุกข์ถ้ามันตรงกันข้าม มันจ ะ, จะเป็นการศึกษาที่ชัดเนจนเจ้าการศึกษาอย่างนี้เอากายเป็นตำราเอากายเป็นหลักสูตรเจ้าผู้เจ้ายังไม่เป็นุูธเจ้าได้บทเรียนจากผิดผิดถูกถกเยอะแยะมากมายหกปีเชื่วลาอยู่หกปี จากการคำทางสมสี่ม 4, ส, ม, 5, สมหาสมหาอ่อจมาได้ประเด็นที่มันชัดเจนว่าต้องเกิดต้องเกี่ยต้องเก็บ ต, ต้องตายเห็นเกี่ยวห็นเก็บเห็นเก็บ เ, เ, เห็นตาเห็นสมณะ เอาเป็นพิจดีเป็นข้อมูลเป็นการบ้านเพื่อศึกษาเรื่องนี้คนอื่นตอบถามใครไม่มีใครตอบผ้านอาขังตอบไม่มีใครตอบคนอื่นตอบก็ไม่ถูกอาศัยการกระทาของตนเองยิ่งเอาเรื่องนี้เป็นการศึกษาจงพนวด ก็อยู่ใชยเวลาหกปีมาถึงปีที่หกเนี่ยตัดถิ้นเจเน้าแน่ต้องเป็นเรื่องกายร่างใจแน่นอนการไปสอเรื่องกายร่างใจจะต้องมีสัตประยะไม่ใช่ไปทามันเดิน สัพะาธิเกี่ยวกับกายกับใจต้องอาหารมี่ที่อยู่มีเสื้อผ้ามี่รทมมีการกระทาเมื่อพวกมองอย่างนี้ก็พร้อมแล้วมีกายมีใจพร้อมแล้ว ก็มาทำมีสติจากการที่สุ่มหาในหลักทิจดีต่างๆตามครูวาอาจารย์ที่สอนมาอุกาาทก า, า, าดาบทอดาตดาบทอุทกาดาบทสอนลุยได้ฌานสมาบัติเกตในเงียบ อาจารย์ระรบวดสอนได้ฌานสมาบัติแปดยังไม่ยังไม่เป็นที่พอใจแต่อาจารย์ทั้งสองจบแล้วไม่มีอะไรที่สอนไปอีกเรียนจบหมดแล้วแต่สีทัศะไม่พอใจเพราะเอาการเกิดเ จ, เจ็บตายนี่เป็นเรื่องการบ้าน เราต้องศึกษาเลยไปมาเอากายเป็นหลักสูตรมาเอาใจเป็นหลักสูตรมีสติเห็นกายจดลงไปตรงเนื้อในวนเพลินเดินหกนั่นมองตรงไปตรงเนื้อตรงลงไปเรียกว่าเถรภูมิอะไรที่เกี่ยวกับกายไม่เห็นไม่ไม่หนีตรง หมายไม่นีน้ไปตรงได้อะไรที่มันแสดงออกเห็นนั่นเห็นกายกายมันแสดงออกไมีรอ้อนม่หนาวมีปวดเบเบื่อยไม่เหิวมีอะไรต่างๆให้เห็นไม่เป็นไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายจนขี้ได้าี้ชัดลงไปว่ากายนี่สภาวะกายตอบตอบคําเดียว ไปเชิดสัตว์บุคคลโตตนล้อ เ, เขาเป็นการตอบการตอบชัดแบบนี้เลยว่าต่อหรือว่าเถระพรมไม่ใช่ว่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างไห้ทาไมทําไมไม่มี <c oughs> ทําไมมันจึงปวดทําไมจึงร้อนทําไมจึงหนาวทําไมจึงหิวไม่มีคําว่าทําไมมีแต่ตอบลงไปเห็นว่าเป็นสักแต่ว่า กายตอบลงไปเลยผ่านได้เลยคัดเกณฑแล้วแม่นยำแล้วไม่มีคำตอบอันเดินแล้วก็กายยานุบ จ, จนาเห็นกายจัพว่ากายไม่ใช่ดัตอุกจนโตตนเราเขาเรื่องของกายมันแสดงแล้วแสดงแล้วหลอยข้างหลายหนก็เป็นคำตอบอันเดียว กายสภาวะกายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนโราขอเกิดก่อนมันร้อนก็คือกายมันหนาวคือกายมันฉุกมันทุกคือกายมันหิวมันปวดมันเมื่อยคือกายแล้วกายม่เป็นตัวเป็นตนยาวไปจนเกิดเจเจบตายเพื่อเรื่องนานนั้นบัณฑิตไปแม่กายเหมือนกับทิ้งก้อนกวดทิ้งก้อนหินใส่ฝาผนัง ถสัมผัสแล้วก็ตกลงไปตกลงไปเหอไม่เหมือนทิ้งดินเหนียวใส่ผ้าผนังเพราะมันติดถูกผ้าผนังและบันติดเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่ามันติดสุขทุกข์พวกายเจ็บปวดพอกายอัลรต่างๆไปถึงเวทนาไปถึงสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ไปถึงโน้นเห็นกายสวรกายไปเลยอะไรก็ตอบคำเดียวชัดเจนลงไปแน่ๆปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมอมมสมออยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวจะมีสุขมีทุกข์เกิดกับกายก็เห็นเป็นจักตะว่าสุขตว่าทุก วิชาจัตุคลตัวตนเราเขาตอบคำเดียวเรื่องที่เกิดกับจิตที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความยากความงม่ายเป็นความผิดความถูกก็ตอบจากแต่ว่าจิตมันศักว่าจิตไม่ใช่จัตุคลตัว ต, วตนเราเขาเห็นธรรมที่มันข้มไลายข้มดีบางทีสงบบางทีฟุ้งซ่านบางทีมันฉลาดบางทีมันโง่ ก็ศักวะธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกลางๆของเขาอยู่ถ้ามันหลงก็เรียกว่าอาธรรมอกุศลถ้ามันรู้เรียกว่ า, ากุศลั้งหลงต้องรู้ต้องสุกต้องทุกข์ที่เกิดจากธรรมต้องหงหอนอนตั้งเลยสงสัยคิดพุ่งซ่านต่อถึงความสงบไม่สติมี ปัจจุบันมีความสุขเพราะมันจะงบก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขอเพป็นสัจธรรมมีแต่เห็นเลยไปเห็นเลยไปเห็นเลยไปเห็นเลยไปไม่เป็นไปกับอาการาต่างๆไม่เห็นเลยไปเห็นเลยไป แล้วก็ผ่านการผ่านเวทนาผัาจิตผ่านธรรมเอาไว้หลังเห็นอะไรมันชัดเจนแล้วไว้ข้างหลังถ้ามีคำถามมีแต่คำตอบเราก็ตอบได้เฉลยได้มาลองสอบผ่านอะไรก็สักแต่ว่ามันเกรดมันดีมันลักษณะ เถระภู ม, ภมนี่เกิดมันดีตอบคำหลายคําถามไม่ได้เมื่อเราสอบตธรทำชั้นเอกไม่เหมือนนักทำชั้นโตไม่เหมือนนักธรรมชั้นตรีชั้นนี้ต้องเป็นเถระภมูมิให้มันชัดเจนต่อบเผื่อๆไม่ได้แ ล, ละอันนั่นและอันนี้เป็นอย่างานั้นและเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขี้ชัดลงไปจึงจะเป็นเถระภมูมได้ ล้วก็เห็นชัดลงไปเห็นรูปจนเห็นรูปเห็นนามอันให้เป็นกายเป็นเวทนาเป็นกิจเป็นธรรมเรียกว่าสติปฐานสี่ฐานที่มันเกิดมีสี่อย่างนี้ไม่มีอะไรนอกไปจากนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็ไปกลายเป็นพบเป็นชาติไป ในกายก็เป็นภพปัญชาติในเวทนาเป็นภพปิญชาติในจิตก็เป็นภพภัญชาติในธรรมก็เป็นภพปัญชาติไปภพชาติของธรรมเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นนรกภพชาติของของกุศลก็เป็นบุญเป็นสวรรค์เป็นสุขติไปเป็นภพอันหนึ่งถ้ามีสุขก็เป็นทุกข มองเป็นสองแม้มองเป็นมันมองเป็นกลางไปเรื่อยๆสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันเห็นโลกเห็นนามโลกมันทํามันเป็นรูปทำมันเป็นนามทำรูปมันทำนี้รูปมันทําชั่วนามมันนําดีนามมันทําชั่วตั้งสี่อย่าง ที่เราว่ า, ากายเวจนาจิตธรรมเนีย่ย่อลงเป็นรูปนามเป็นรูปกวามนามจะมาลู่อะไรได้มันมีตัวมีมีดุ้นมีก้อนลู่มันสัมผัสความร้อนความหนาวความาเคยเจ็บเจ็บตายได้นามมันสัมผัสกับอาการาต่างๆได้มันลู่ได้มันร้อนก็ลู่มันหนาวก็ลู่ สภาพที่รู้อะไรได้เรียกว่านามธรรมมันหิวก็รู้มันเจ็บก็รู้มันสุกก็รู้มันทุกข์ก็รู้ว่านั่นเป็นนามธรรมแต่ถ้ารู้่าเป็นสุขมันก็เป็นมันก็เป็นนามมันก็เป็นเวทนาในเวทนาถ้าทุกข์เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาในเวทนาแต่มันสุขเป็นทุกข์พราเรื่องกายเรื่องใจก็เรียกว่า มันก็เกิดกายในกายเกิดเวทนาในเวทนาเกิดจิตในจิตเกิดธรรมในธรรมต่อไปเวทนาก็เกิดเป็นพ่อเป็นชาติจิตก็เกิดเป็นพ่อเป็นชาติธรรมก็เกิดเป็นพ่อเป็นชาติพอมาเห็นรูปเป็นนามไม่ต้องเรียกว่าเวทนา ไม่ต้องเรียกว่าจิตไม่ต้องเรียกว่าทมเป็นอาการเป็นอาการของลูปของนามตามธรรมชาติาต้องเรียกว่าสุขวะทุกทเป็นอาการอาการไม่ใช่ตัวตนมันร่อนเป็นอาการของกายมันหนาวเป็นอาการของกายมันหิวเป็นอาการของกาย มันปวดมันเมื่อยเป็นอาการของกายแต่ก่อนมันเอาความร้อนความหนาวความเหงาความปวดความม่ยเป็นทุกข์เอาความสุขที่เกิดจากกายมัเป็นสุขพอมาเห็นวันอาการมันก็ไม่มีค่าไม่มีค่าจบทุกข์ไม่มีค่ า, คาเป็นอาการเบาๆไม่หนัก เป็นธรรมชาติธรรมชาติและอาการที่เกิดกับรูปความนามนี่หนักไหมพูดอย่างนี้ฮะไม่หนักอนะไรได้แต่อย่าไปคิดว่าหนักยากมันง่ายๆ่ายง่ายกว่วที่เป็นนะแต่เป็นสุขกว่ายากกว่าถ้าเห็นมันสุขง่ายง่ายง่าความสุขความทุกข์ปณการเฉยๆมันง่ายอย่างเนี้ เอาของเบาเป็นของหนักเอาของเบาเป็นของเบาเอาความสุขเป็นความสุขมันหนักเอาความทุกข์เป็นความทุกข์มันหนักให้เห็นมันสุขให้เห็นมันทุกข์นยมันเบาดีถ้าเห็นเห็นอะไรเห็นว่าเป็นอาการเป็นธรรมชาติเท่านั้นจะมองให้เป็นตัวเป็นตนไม่มีเลยแต่ก่อนมันเป็นตัวเป็นต้น พอมาเห็นแค่มันเป็นรางการไม่ใช่ตัวใช่ตนโตกตัวตกตนหลอกในรูปในเวทนาในกิตในธรรมสร้างภบสร้างชาติจวบ น, นี้เสียเวลามานานเหลือเกินมาเห็นแล้วมันแค่นี้เองเป็นธรรมชาติเป็นดางการของรูปของนาม มันมีรูปมีงเป็อย่างนี้มันมีนามจึงเป็นอย่างนี้มันมีธรรมชาติมันมีอาการถ้าไม่มีอาการไม่มีธรรมชาติมันก็ไม่ใช่รูปแค่นามธรรมชาติและอาการท้าเกิดจากรูปจากนามนี้เป็นเรื่องที่ขอบคุณเป็นเรื่องที่ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณอาการมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นมันเหีวเป็นมันปวดเป็น มันฉกมันทุกเป็นเป็นเรื่องที่หน้าขอบกุณรูปนามอย่างเนี้จะออกมาเป็นทุกเป็นโทษบางทีเอาความร้อนมาเป็นทุกเอาความหนาวมาเป็นทุกเอาความเหนียวมาเป็นทุกถ้าเราเห็นเป็นอาการขอบคุณเป็นความยิ้มยิ้มถ้าเราเป็นยิ้มใหม่ออกเราลองมันทุกก็หน้าโบด้าเบื้งแล้วมันุกก็หัวล้อ อานนั้น <c oughs> ไม่เบามันหนักไปแล้วคนหัวเลาะคนร้องไห้เท่าเท่ากันถ้าจสีภาพทั้งความปรุงแต่งเท่าเท่ากันการหัวเลาะก็เป็นสังขานการร้องไห้ก็เป็นสังขานความสุขก็เป็นจังขานความทุกข์ก็เป็นสังขานปุญญาพิสังขานสังขานคือสุขปุญญาพิจังขาน ส <c oughs> ังขารเคยทุกข์การหัวเราะร้ อ, องไห้สุกทุกเป็นรดของโลกไม่ช่รสของธรรมยังอยู่ในโลกหัวเราะร้ อ, องไห้อยังอยู่ในโลกเราจะมาเห็นแช้งเป็นธรรมชาตินาการของโลกของนามรูปนามนี้มันทำดีมันทำชั่ว เนี่ยมันแยกตรงนี้ที่ว่ารูปทำมันเป็นนามทำมันเอามาทำดีมันทำชั่วได้รูปนามนี้เราจะมาเห็นการกระทำรูปมันทำดีนามมันทำดีรูปมันทำชั่วนามมันทำชั่วทุกอย่างเกิดที่รูปที่นามนี้เป็นที่ตั้งเวลาเรามารู้สึกตัวเนี่ยมันทา อะไรมันทำดีหรือมันทำชั่วแล้วเราหลงมันทำอะไรรูปนามนี้มันทำดีหรือมันทำชั่วเดีวเรามาสุขมันเป็นทำดีหรือมันทำชั่วเรามันทุกข์มันเป็นทำดีหรือมันทำชั่วมันจะมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้หรือรูปนามนี้มีเช่นนี้หรือถ้ามีเช่นนี้ก็อยู่ในโลก แล้วลูกนามนี่ม <c oughs> ันมีค่าเท่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แลอวจึงเห็นการกระทำตอนที่เรามีสติเนี่ยเรามีสติเนี่ยมันทําใจเรื่องมาจมจ้วงแต่มื่สติเนี่ย มันรับความชั่วหรือมันทําความชั่วมันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเวลามันมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีสติเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วสติเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของนามเป็นผู้ดูแลอยู่ว่ามีสติมันก็ทําดีว่ามีสติมันก็รับความชั่ว มีสติจิตบริสุทธิ์ไปถึงโน่นเลยไม่เชื่อทาดีรับความชั่วเชื่อนี้ไม่พอศาสตาไหนเขาก็สอนกันให้รับความชั่วให้ทําความดีแต่ว่าสติปัฏฐานนี่ยจิตบริสุทธิ์ไปเลยเพราะงั้นหมดทั้งสามทางกายก็ทําดีใจก็ทํำดีจิตก็บริสุทธิ์ไม่เปิดเพื่อนเห็นแล้วเห็นเนี่ยไม่เปิดเพื่อนถ้าเป็นมาเปิดเพื่อน เป็นสุขเปิดเพื่อนนกจิตด้วยเป็นทุกข์เปิดเพื่อนนกจิตด้วย้เาเห็นนะ่ะไม่เปิดเพื่อนเลยเรว่าจิตก็บริสุทธ์ไปได้เลยเป็นการรับความชั่วเป็นการทำความดีเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปเลยเข้าวงไหนไปเลยไปสรูปคำเสร็จแล้วเป็นเป็น ทำก็เาไปเลยทําให้มันเป็นไม่ใช่ทําให้มันรู้ทาให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้ศป็นฉเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่เห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญามันเป็นศินมันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาตาวะเทียมันเป็นอย่างนี้ เป็นการเข้าถึงมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ต่อจิตเห็นไม่ใช่ของกิ่งถ้าเห็นมันพบเห็นนี่เป็นของเิ่งเป็นของเิ่งถ้าพบเห็นนะไม่ใช่แบบคิดเห็นการพบเห็นไม่มีคำถามมันลงตาไปสอนประเทศจีนวิธีปฏิบัตินี้ <c oughs> จะพาเราไปถึงสุขาวดีได้หรือเปล่าอะไรก็เอามีมีที่หมายคิดว่าจะได้อย่างนั้นคิดว่าจะได้อย่างนี้รับจา้างไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่รับจา้างวิธีทำอย่างนี้ถึงสุขวดีหรือเปล่าถึงอมมตตาพุทธหรือเปล่าถึงความสุข หรือเปล่าสุขที่เป็นสุขที่ยอดเยี่ยมคืออมิตาพุทธอนั่นเป็นการรับจ้างไม่ต้องไปคิดเห็นแบบนั้นให้พบเห็นเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นที่มันเกิดอยู่ในกองลูกของนามนี่เห็นหมดเอะไรที่เกิดกับลูกกองนามเห็นหมด ไม่มีปกปิดไ้่มีอะไรอำพางไว้ทะลุทะลวงไปคําว่าเห็นไม่เป็นเนี่ย <c oughs> แต่ว่าที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยถาเรีว่าอ่อนก็อ่อนก็เรียกว่าแข็งก็แข็งสองขาดดูดีๆนะภาวะเห็นภาวะไม่เป็นเนี่ยทั้งอ่อนทั้งเข้มแข็ง ไม่ใช่แข็งกระ ด, ด้างไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนเอเป็นความอ่อนที่มันสัำขัดกับอะไรก็ได้เหมือ น, นกับน้ำไปอยู่ในขวดก็เป็นลูกของขวดไปอยู่ในขันก็เป็นลูกของขันไปอยู่ในองก็เป็นลูกขององกีกว่าน้าน้ำไปอยู่ที่ไหนก็เป็นน้ำน้ำระบาเทา น้ำที่นัมม่งพรมน้ำมมูลน้ำของก็เป็นน้ำไม่แบนอุบัติาวะที่เห็นเนี่ยอยู่ในอันเดียวหมดตรงตั่วหมดภวะไม่เป็นก็ไม่เป็นอื่นไปเป็นน้ำ อ, อยู่ตลอดเวลาโ่อนภาวาแข็งก็แข็งไม่เป็นอื่นไปได้เป็นน้ำ แต่ความอ่อนเนี่ยสามารถเจาะห็นได้เส้นลากไม้เนี่ยลากไม้เลยไม่ใช่มันแข็งมันเจาะดินลงไปสามเมตรสี่เมตรเนี่ยโตขุดบ่อกอเจอลากไม้ที่มันสร้างตัวขึ้นลงไปในดินแลวเดานน้ำ มันจะซอนใส่ลากของมันมันจะมีน้าออกน้ำให้ความชุ่มความเปียกลากมันนอนอนขาวๆมาหยดน้ำปลายของลาซอนไม้ปลายของลาแจ้วมันนอนอ่อนมีนม้ำมองเหมือนกับน้ำมันเจาะดินหลงปล่อยเป็นลาแจ้วจ่องลึกหลงปลอย จนฝังในเด่นม้ามันยังได้ก็ขยายออกขยายออกแล้วก็น้ามันระเบียดก้อนเห็นเบียดก้อนเดินออกไปจนลากใหญ่ลากโตถ้ารวยแข่งก็แข่งแต่ความอ่อนความไม่เป็นอะไรเนี่ยมันทะลุทะลวงความมืดทึบความหนาได้มันทุกความมืดถ้าเห็นมันทุกเนี่ย ทะลุแล้วมันฉุกมันเมื่เต์เห็นมันฉุกมันทะลุแล้วความมืดไม่ขวงกันได้ความสุขความทุกข์ไม่ขวงกันได้ทะลุออกไปแล้วเดี๋ยวภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยภาวะที่เห็นเนี่ยจเรียกว่าทะเลาะความมืดเหมืนความเมือ่อตจนที่ได้ถ้าที่เห็นได้เป็นน้ำก็สว่างแล้ว ทะลุทะลวงไปแล้วนม่มีอะไรขวางหน้าเรียกว่าแตกแานเรียกว่าทะลุทะลวงหรือกว่าธรรมวิญญาณโยนิโสมาจิการสอดสองไปได้เห็นรูปเห็นนามตามความเปนจึงแล้วก็เห็นอะไรที่มันเกิดกับลูปกับนามมากง่ายเห็นลูก ทุกข์เป็นนามทุกข์ลูกที่มันทุกข์ก็มีลูกที่เปนนามเป็นทุกข์ก็มีถึงลูกที่มันโรคถึงนามที่มันเป็นโรค ก, ก, ก็มีโรคที่เกิดกับลูกโรคที่เกิดกับนามก็มีเส้นความโกรธควาโลภความหลงเกิดกับนามความเจ็บแค่โดยกว่ายเกิดกับลูก อารมณาน้ำตกจนในความไม่เที่ยงก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มืนทุกขวามไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนั้นของเขาตามก็าเป็นจริงทะลุปไปทะลุปไปผ่านไปผ่านบปแต่ก่อนความหลงเกิดความหลงพมาศึกษาเข้าไปความหลงกายเป็นปัญญาปัญหากายเป็นปัญญา ความทุกข์กลายเป็นความทุกข์แต่ก่อนพอเห็นไปเห็นไปความทุกข์กลายเป็นปัญญาแต่ตอนความเป็เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็มาช่ยตัวตนเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ทุกข์ไรู้จักโรคนามเป็นทุก์ความไม่เที่ยงผู้ไม่รู้จักโรคนามเป็นทุกข์ประกอบเป็นทุกข์ทุกไม่รู้จักโรคนามเป็นทุกขความกอบมาช่ยตัวตน ปายหาสิงใดไม่ได้เช่นั้นสัะภาคเจ้าของรักของยอดกายเป็นทุกข์ก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคลัพแช่นใจเป็นทุกข์ผู้ไม่เห็นลูกนามมักจะเป็นอยางนั้นผู้เห็นลูกธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงมันเป็นปัญญาเสร็จแล้วปัญหาไม่เป็นปัญญาเสร็แล้ว ในความมาเที่ยงจนบรรดาไปเลยในความบรนทุกจนบรรดาเวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สองขานไม่เป็นทุกข์อินญาณไม่เป็นทุกข์ส่วนวัฏภาคจากของรลกของชอบใจไม่เป็นทุกข์ส่วนคราบเพียรใจไม่เป็นทุกข์ ปาฏาริย์สินใดไม่ได้สุ่นั้นไมนเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์แต่ก่อนไม่เป็นทุก ข, มขมมกกมก์มันก็กลับอย่างนี้รอบกว่ปฏิบัติธรรมศาสตร์นี่มันเป็นไปทํานองไหนไม่เช่คิดเห็นมันเป็นแล้วจึงรู้สิ่งใดที่เราเป็นแล้วจึงรู้จัก มีฉีดแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้จิตบริสุทธิ์แล้วจึงรู้เพราะเกิดจากการการะทำไม่ใช่เกิดจากความคิดการการะทำเห็นของของตนอย่างกรรมมันกริจฉามิกรลยานางว่าปาปากานางว่าเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตาม ชาชาาบอพาแย่สันตินะเราจะต้องไป็ผู้รับผลของการดานนี้ไม่พน้นตอนั้นมาเกิดจากลูกกมดามนี้แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นเราจะมาเห็นเนี่ยให้มาเห็นแจ้งอย่างเนี้ยเห็นแจ้งเห็นแจ้งในการเ้าม่ความ เก weight, ir, ิดทำเองความเจ็บทำเองความเจ็บทำเองความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติยาความเจ็บยาเอาความเจ็บยาเอาความตายมาเป็นตัวเป็นตนเวลาเจ็ก็เป็นทุกข์เวลาเจ็บเป็นทุกข์เวลาตายเป็นทุกข์ถ้เห็นลูกเห็นนามมันจะไม่มี ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บ ไ, ไม่มีใครตายเป็นธรรมชาติเห็นความเจ็บตั้งแต่หนุ่มหนุ่มสาวสาวนั่งอยู่เนี่ย <laughs> เห็นความเจ็บตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นความตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นแล้วเห็นแล้วตั้งแต่อยู่โน้นสุกโตโนน <laughs> เห็นแล้วว่าความเจ็บเห็นแล้วว่าความเจ็บมันมี มันมีเจ็มีเจ็บ ม, มีตายในกองลูกกองน้ำอยู่กายในกายนั่นน่ะมันแจ่ตรงนี้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันต้องตั้งต้นจากนี้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้าไม่ มีกายเนกายไม่มีเวทนาในเวทนาได้ไม่มีจิตในจิตได้ไม่มีธรรมในธรรมมนันชี้พบชิ้แชาตั้งแต่ น, น้นแล้วก็เป็นทางไปเป็นมักไปเมืม่อบังก็มีผลปลอย่างนี้ความเจ็บความเจ็บความตายหรือไม่มีสำหรับผู้ที่ปัญญาเหนแจ้งในวิปัชนนา ที่ปัจนาเห็นกระแสรพระเนปา น, านได้กระแสแล้วเมื่อเห็นแฉก็ไม่มีมีความไม่แฉตกเงนินข้ามถ้ามันเจ็บก็ไม่ีความไม่เจ็บถ้ามันตายก็ไม่ีความไม่ตา ย, ตา ย, ตายอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่หนีไปอยู่โลกไหนอเอาเอาเอาความแฉ่แหละเป็นความไม่แฉะมันมีอยู่เพื่อเห็นเนี่ย เห็นสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธเห็นความหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงเนี่ยมันก็แยกไปตั้งแต่นี่แล้วโบไปแล้วเบไปแล้ววางลงตั้งแต่เห็นรูปเห็นนามแล้วทางมันไปแล้วทางมันบอก ้เราเหยียบเช้นทางถูกมังกรพาไปสภาวะที่เห็นไม่เป็นไปกับเชียงต่างๆที่สุกโตอยากประกาศเร่งนี้กันพอเขาปล่อตัวมาก็บอกเลยว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเอาไว้ก่อนเห็นไหมเยียประตู สุนตาเป็นไหนประตูสุนตาประตูสุนตาตรงไหนประตูสุนตาจุนตาแปลว่าอะไรสุนตาแปลว่าไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนเลยเมื่อมีความหมายควาเป็นตัวเป็นตนเห็นแต่รูปธรรมนามธรรมกายสักว่าการเวทนาสักว่าเวทนาจิตสักว่าจิต ทำสักว่าทมแล้วก็เข้าถึงปวามไม่มีไม่เปลี่ยนาลาสักแต่ว่าเห็นมานเนี่ยมันยากไหมเหงือไม่ออกถ้าเหมือนไปทำอะไรเพียงแต่ทำความเห็นให้ถูกต้องไปเมื่อทำก็เห็นถูกต้องจิตจ่อมผ่องใส เมื่อความเมตม่ถูกต้องจิตย่อมมืดมนอาสัยการพูดการกระทำแบบนี้คู่กันไปเป็นส่วนประกอบไม่มีวิธีอื่นจึงจำเป็นต้องมีสถานที่แบบนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็มาอยู่ร่วมกันทำเอาอเอง พระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วผู้ศึกษาต้องปฏิบัติด้วยตนเองปากกันไม่ได้ทําให้เผื่อแน่ทําเผื่อแน่เด้อไอไอหอยแขนหอยขานะเป็นไปไม่ได้เปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ มันหลงตอนเช้ามันหลงตอนน้อยลู่ได้ตอนนานไม่ใช่หลงอยู่ที่บ้านมาลู่ที่วัดไม่ใช่มันหลงตรงไหนไมีความลู้ตรง น, นั้นมาโจวต้นไหนไมีความลู่ตรง น, นั้นให้ผลได้อย่างนี้เจนมาทำดูมามีสติก็ลู้ได้พลิกมาขึ้นก็ลู้ได้ยกมาขึ้นก็ลู่ได้ เดินไปหน้าเดินทางไปเรือกรูดได้แล้วก็เชิญมาดูประกาศให้มาดูเรียกมาเรียกมาเรียกมาดูแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ ยอ่องรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเดินตามสมควรใจผู้ปฏิบัติถ้าขี้เกียจก็ไม่รู้ถ้าขยันก็รู้ก็ขยันย่อมหาซับได้คนเกียดค้านย่อมนอนเป็นทุกข์ขยันรู้ไม่ใช่นักนะอะไรมากมากหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้พิบตาก็รู้ได้ เคลนน้ําหลายก็รู้ได้รูเหยียดเคลื่อนไหลก็รูดได้ยืนเล่นล่งหมอนก็รูดได้เก็บโดยโอกาสจากกาจากใจนี้การคิดก็รูดได้อย่าหลงไปในความคิดนี่เรียกว่าปฏิบัติทรรกันน้องต่อมาสอนก็มีพระอาจารย์นั่งสอนกันอยู่ ต่อไปอาจารพูดไปออกไม่มีเสียงได้ยินไหมนะเมื่อไม่มีเสียงก็เป็นอยากคูดนะเป็นปมด้อยอันนังเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก่อนเห็นใหม่ก็จะกลัวแล้วเดีวยวเห็นใหม่ยังจับไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปนะวันนี้ก็สมควรเจบเวล า, ากับพระพอ่อามาทานศี้นต่อชินแม่ศี้น ลากับบ้าน